มีไปให้ทางกนตั้งใจสำรวมใจพึงทนให้ดี <c oughs> เราทุกคนได้มา <c oughs> นับถือพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เดียวกัน <c oughs> พวกเป็นนักปวดก็ดีเป็นครือหัา ก, ก็ดีต่างคนก็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 อยู่ในจิตใจนี่เต็มที่มันก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสตัณหาให้หมดไปได้เมียแต่ จ, จะเบาบางลงนี่ก็ยากเต็มที่เดี๋นี้ล้วพระพุทธองค์พระองค์ทรงละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทยจริงๆเรามาพิจารณาตัวงเราเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยจังวา จึงได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่อัศนาอาัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่มีใครเป็นโครอาจารย์แนะนําสั่งสอนเลยพระองค์อาศัยพระปัญญาปีศาจ ค, ความสามารถความเพียรของพระองค์เองนั่นแหละจึงเป็นนาอาัศจรรย์นั่นแหลอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์เพราะพระ อ, องค์มีความเพียรใหญ่ มีความเวียนไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนั่นเองแล้วพูดถึงปัญญาก็ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าค น, น, นอื่นๆนั่ น, น่ะไม่สามารถที่จะละอาสวัคคิเลตัญหาโดยลำพังตนเองได้โดยไม่ต้องได้สะดับสรับฟังจาก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 ท่านทำความเพียงเพียนเพ่งทินิษ์อยู่ใน จ, ใจิตใจไม่ท้อไม่ถอยอนี่ที่สุดท่านกุระอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้แต่บางจำพวกก็ไม่อยากอะไรเพียงพระองค์แสดงพระธรรมบารพระคาถาเดียวเท่านั้นจบลงโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลย ก็ได้สำเร็จอรหัตตผลแล้วแต่บางแก่พวกก็ต้องได้ทำความเพียรบากบันพอสมกวรอวนจึงละอสวกิเลสได้นั่นเอแต่บางพวกแม้จะทำความเพียรอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถสำเร็จมักผลธรามวิเศษได้ในชาติปัจจุบันนี้ แต่มันก็เป็นอุปนิ ส, สัยปัจจัยติดตามไปนี่บุคคลมันมีอสี่จำพวกอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นปุคคลที่น่าอาจจจัศจรรย์ใจเนื่องจากว่าคนธรรมดาสามานนี้ไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดได้ โดยเร็วเหมือนอย่างพระอระหันตาสาวกทั้งหลายนั้นบางคนแม้ภาคเพียรอยู่จนว่าตลอดชีวิตก็ยังลากิเลสตัณหาหมดสิ้นไปไม่ได้เพียงจะเป็นอุปปิสัยปัจจัยติดตามไปในธาตุต่อๆไปเท่านั้นเอง ส่วนบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วมันยิ่งห่างไกลต่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเพราะว่ากิเลสตัณหามันอยู่ในจิตใจถ้าบุคคลประมาทด้ามาพูดว่าอยู่ปราศจากสีิสมบัติชญะขาดการสำรวมจิตขาดความ เ, เพียรเจ้งพินิษ อยู่ในใจิตใจใจนี่เมื่อปฏิจจสติสัมปชัญญะแล้วมันมีตั้งแต่จะเหลวไหลไปมีแต่ที่ทางที่จะคิดส้านไปในเรื่องที่ม่เป็นสาระประโยชน์มากต่อมากดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงต้องตั้งความเพียรเพ่งพินิด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 แล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาจิตอันนั้นไปเรื่อยๆไปหมายความว่าเราภาวนานอยู่มีสติสมัทเชยประคับประคองจิตให้เป็นปกติไปอยู่อย่างนี้นะแล้ะจะให้มันไปนขาดตอนนะต้องรักษาจิตนี้ให้เป็นปกติเรื่อยๆไป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 เช่นธรรมดามันเคยเที่ยวทางไหนมันก็อยากจะไปทางนั้นเมื่อยังลากกิเลสไม่หมดมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเคยตกวิจารไปในเรื่องรักเรองไถ่มาแต่ก่อนเป็นอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยพอเผลอๆตัวมันก็ไปไปนั่นแหละจิตมันก็ วกเวียนไปหาเรื่องรักเรื่องใครนั่นแหละอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าผู้สติห่างแล้วมันก็ไม่ทันความคิดนั้นก็ปล่อยให้จิตคิดไปจนว่ามากจนมันก่อตัวเป็นความกำหนัดยินดีขึ้นมามันก็แสนที่จะละยากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง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 ปัญหามันก็จูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนั้นนีม่มันผูกพันอยู่กับสิ่งใดปัญหามันก็ส่งเสริมให้อยากได้สิ่งนั้นเข้ามากๆเข้าไปดังนั้นผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้ซึกออกไปหมดแล้วมันก็ล้วนตั้งแต่เอาชนะความอยากในหัวใจนี้ไม่ได้ทั้งนั้นหล เร้วกว่าบางคนก็ไม่เพียนพยายามที่จะเอาชนะความอยากไปเลยเมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันอยากกล่ำมใบอยู่อย่างนั้นไม่คมจิตไม่ส้อนจิตของตนให้ละความอยากอันนั้นจิตใจนี่มันจาเป็นตัวเองควบคุมตัวเองนะขอให้เข้าใจ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 เมื่อจิตใจประมาทแล้วไปสร้างมันขึ้นมานะเช่นสร้างความอยากขึ้นมางี้นะสร้างขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากไปเท่านั้นนะอันเป็นอย่างนั้นเอถ้าพระพดทธโคบคุมจิตได้ไม่ให้มันอยากมาไม่ต้องอยากอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าจะพึ่งอยากจะพึ่งโูกพันเพราะมีจ้าของไม่เที่ยงมีจ้าของแตกของดับ มีแต่ของที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากผู้ใดจับงานอะไรเข้าไปแล้วก็ยุ่งต้องแก้กันอยู่เพราะว่านั้นกลัวว่างานแต่ละอย่างมันจะรู้รล่วงไปได้นี่ไม่ว่านักหวดไม่ว่าค้าราชกาผู้ใดคิดใหญ่เท่าไหร่ทำการงานใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งยุ่งมากตอนนั้นยิ่งหนักใจหลาย จิตใจเมื่อยล้าไม่มีกำลังเลยไปเอาไปคิดอ่านตั้งแต่การแต่งงานอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละให้พากันคิดดูให้ดีแต่ว่าผู้เป็นครรค์นั้นน่ะมันจำเป็นอยู่เองเพราะว่าเป็นผู้บริโภคกรมคุณยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจความยินดีรักใครอันนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เดิมได้มันรักรูปนี้แล้วไปไปเมื่อรูปนี้มันชำรุดลงมันก็เบือ่อไปเห็นรูปใหม่ที่เป่งปังกว่านี้อ่ามันเกิดรักเกิดอยากได้ขึ้นมาอืมก็ดิ้นรนนะ แสแวงหาอย่างนี้นะเมื่อเสวงหาแล้วในทางสุจริตไม่ได้มันก็แสแวงหาเอาในทางสุจริตสาเหตุที่คนเรา จ, จะได้ทำบาปเพราะตัณหาอย่างว่านี่เนะี่ยมันมันระงับตัณหาในหัวใจไม่ได้มันยังกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมามนเป็นเพ่งนั้น ดังนั้นนะทุกคนได้เห็นโทษแห่งความอยากคือตัณหานนี้ผู้ครองเรือนถ้ารู้จักข่มใจเคร่งสนให้อยากแต่ในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่อยากมันห้ามมันได้เช่นนี้นี่มันก็ไม่ทุกข์หลายไอ้ที่มันทุกข์หลายอยู่นั่นก็เพราะว่า มันปล่อยให้ความอยากถุดคล่าดวงจิตนี่ไปโดยส่วนเดียวมันรั้งเหนี่ยวตัญหาไว้ไม่ได้เลยมันรั้งเหนี่ยวจิตใจตัวเองไว้ไม่ได้ปล่อยให้ตัญหามันถุดคล่าไปตามประสงค์ของมันเพราะฉะนั้นแหละผู้หญิงก็จึงไปเล่นชู้จากหัวผู้ชายก็ไปเล่นชู้จากเมี้ ก็เพราะว่าปล่อยให้ตัณหามันถูกคร่าไปนี่เองเนี่ยไปทําบาปทํากรรมใส่ตัวเองแล้วนึกว่าตนจะได้รับความสุขสม่ําเสมอไปไม่มันก็เป็นสุบโซ่ประเดี๋ยวกระดาวเท่านั้นแหละสักหน่อยทุกข์กระทบผมเข้ามาแล้ววันนี้นะอืมเรื่องยุ่งยากอะไรตออะไรทรพัพยก็เกิดขึ้นมันเพราะว่ามันเดินผิดทางแล้วเนี่ย มันไม่เป็นธรรมแล้วมันไม่ไม่เป็นศีลแล้วถ้าเดินผิดออกไปจากทางศีลทางธรรมแล้วชีวิตนี้ยุ่งแน่นอนเลยทีเดียวอะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสมันเป็นทุนเดิมนะ การที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาการที่เราปลูกปรัทาเรื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมวสุ์มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้นะแล้วบางคนก็มาปล่อยทิ้งระหว่างกลางนะไม่นึกไม่เนาะไม่ทําความพอใจในบุญในคุณไปพอใจในกรรมคุณภายนอกน้่นมากกว่าที่จะพอใจในบุญในคุณความดี ที่ตนกระทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุญคุณอะไ น, นั้นมันจะมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันจะมาดับทุกข์ทางใจได้อย่างไรแล้วเพราะว่าตนไม่น้อมเข้ามาตนไม่รักษาบุญคุณนั้นไว้ได้อย่างนี้เน้วจะให้บุญคุณมาช่วยได้อย่างไรอ่ะก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน เมื่อใจไม่สร้างมันขึ้นมาอย่างไรแล้วมันก็ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีเลยมเมื่อกล่าวโดยรวมๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานี่นะสร้างคุณสตความดีขึ้นในจิตใจนีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกิดมาแต่ละชาตินั้นนะต้องมาฝึกใจของตนนี้ให้ ยินดีพอใจในบุญในคุณความดีต่างๆนี่นะนี่กลัวว่าจิตใจมันจะมาพอใจยินดีในบุญในคุณนี่ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายแล้วมันก็คงจะมีผู้เชื่อมีผู้เลื่อมใสในบุญในคุนี่เต็มไปเละในโลกของสารอันนี้นะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มั่นคงในบุญในคุณนี่มีเยอะแยะ ทั้งนี้จะทั้งนั่นก็เพราะเหตุว่ามันปล่อยให้ตัณหาอาวิชชาในจูงใจไปอย่างว่านั่นแหละเป็นเบียงนั้นไม่เหนี่ยวร่างจิตใจตัวเองไว้มันจึงเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ตั้งอยู่ในอภิมาต ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทแล้วก็ต้องตามควบคุมจิตอันนี้อยู่เสมอเสมอไป เพราะการรักษาสิ่งอื่นนั้นน่ะมันมีคุณค่าน้อยกว่ารักษาจิตการรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในงานความรู้ยิ่งเห็นจริงอันนี้อันนี้เป็นการรักษาที่ดีที่ประเสริฐมากทีเดียวนะเพราะว่า เมื่อรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะจิตนี่มีความสุขสม่เสมอไปไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมามันก็ไม่หลงไม่เมาไปตามเพราะว่าตนมันเห็นรสชาติแห่งความสุขอันเกิดจากความสงบเห็นอำนาจแห่งบุญแห่งคุณ ที่มีอยู่ในจิตใจของตนทำใจของตนให้ส ง, งบภัยตั้งมัน่นไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรนี่เมื่อใจเป็นอย่างนี้มันแสนจะมีความสุขใครไม่เห็นหรอกว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความสุขภายในจิตใจอย่างไรคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ได้หรอกมีแต่ตนของตนแต่ละคนเท่านั้นยจะรู้ว่า จิตใจของตนมีความสุขมากน้อยเพียงใดมีความสุขอยู่ในธรรมมะมีความสุขอยู่ในความสงบความไม่อยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นะนี่อันข้อนี้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองไรู้จิตใจของตนเองไงว่าใจของตนไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ อิ่มหมดอย่างนี้นะทำไมจึงอิม่มอิ่มเพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่ใช่ของเราทำไมยังว่าไม่ใช่ของเราก็เพราะมันวังขับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นอย่างนี้แต่มันถึงอิ่มไปหมดเลยฮะไม่ต้องการแต่ที่ทำไป หมลนั้นมนันก็ทําไปโดยจําเป็นเสียเพราะว่าชีวิตนี้มันมันยังเนื่องอยู่กับโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะไม่ทําก็ไม่ได้ต้องทําไปทําไปจะไม่หลงไม่เมารู้เท่าการกระทานั้นเสมอไปไม่ยึดไม่ถืออะไรทําก็ักว่าแต่ทําไปแล้วก็แล้วไปได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไป นันจิตใจที่มันอิ่มต่อโลกอันนี้แล้วไม่ใช่ว่าอิ่มแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้มันก็ผิดทางอีกแหละเพราะว่าชีวิตนี้ยังเป็นอยู่กรรมมัทฉลุกรรมที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้ยังมีอยู่ยังไม่หมดเขตของมันเพราะฉะนั้นจาเป็นก็ต้องบารุงร่างอันนี้ไปซะก่อน เพราะบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นมันก็มุ่งประโยชน์ตนนะั่นแหละมากกว่าประโยชน์ผู้อื่นทํายังไงตนจะหลุดจะพน้นทํายังไงจิตใจของตนจะเป็นอุบเบกขาลงไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่ก็ต้องทําความเพียรลงไปสอนใจตัวเองเข้าไป การสอนใจตัวเองนี่แหละสำคัญมากนะเพราะว่าใจนี่มันยังไม่ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็หลงยึดหลงถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นไว้อย่างนี้นะทีนี้พอปัญญาสอนจิตนี่เข้าไป่ใ็ให้ถ้าจิตมันเห็นสภาพความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตนอาศัยอยู่เนี่ย ก็รล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยแต่ความเห็นเหล่านี้เนะี่ยเมื่อมันยังไม่เป็นอกุปธรรมมันก็ยังกำเริบได้อยู่พอเห็นทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่มันก็ปล่อยวางได้ชั่วขณะที่มันเห็นก็ไม่ใช่ของเราอยู่เท่านั้นเลยคันพทเผลอเผอสติเข้าไป อ้าวมันเกิดไปยึดเข้าไปอีกแล้วไปหลงยึดตัวไม่รู้ตัวอะไรโน่นมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมามนนทึงรู้ตัวได้อ้าวจิตนี่มันยึดถือแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้แหละที่เราจะพึงสังวรระวังให้มากเลยผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวตาสงสาร มันต้องมาควบคุมจิตอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ควบคุมไปทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตไม่ลืมกายอันนี้ใจนี่นะเมื่อถูกปัญหามันย้อมอยู่แล้วเนี่ย มันแข็งกระลางนะสอนปันญามันก็ไม่ลงอมันเน่ามันเปืยนะมันมีกลิ่นเหม็นนะรูปร่างกายอันนี้อย่างเงี้ยมันก็กลับเห็นว่าผอมไปซ้าหุนึ่งจิตใจที่มันกำลังอยู่ด้วยตัณหาตัณหามันย้อมจิตย้อมใจเอาเหม็นปัญใามันก็ยอมดมอ่ะเมื่อมันชอบใจแล้วนี่ ใจอย่างนี้เรียกว่าใจกระด้างโดยทันหาอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะเหตนัน่ะมันจึงว่าไม่มีอันคุณธรรมอย่างอื่นที่จะมาทำจิตให้อ่อนโยนลงต่อธรรมของจริงได้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เองศีลนั้นเป็นการสํารวม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 เมื่อรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นั้นแล้วก็เอาเอาสมาธิเข้าไปอบรมจิตเข้าไปให้ให้ใหสงบละเอียดเข้าไปกวดสินนั่นอีกอันสินนั่นเพียงแต่ว่าทำให้จิตไม่วิตกไปทางบาปอสุศลเท่านั้น่วนสมาธิ น, นั่นได้แก่การน้อมจิตลงสู่ความสงบ จิตนั้นอ่อนละเอียดลงไปไม่แข็งกระด้างกระเดือนทำจิตให้อ่อนให้โยนลงไปเมื่อเมื่อตอนทำจิตให้อ่อนให้น้อมลงไปแล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไปได้อย่างละเอียดและอ่อนตอนนั้นละตัญหามันเข้ามาชักจูงไม่ได้ เพราะว่าจิตมันไม่ไหวไปตามอำนาจของตัณหามันมีสติควบคุมอยู่ประคองอยู่เป็อย่างนั้นไอ้จิตใจที่น้อมลงสู่ความสงบเช่นนั้นแหละแล้ววันนี้มาใช้ปัญญาสอนตัวเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าพอน้อมใจลงสู่ความสงบเช่นนั้นแล้ว ปัญหามันจะระ ง, งับไปเลยมันไม่เกิดกันอีกไม่ใช่อมันเพียงแต่ว่ามันไปสยบอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะดังนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปให้เห็นโทษแห่งตัณหาความทยานอยากอันมีประการสั่งๆสอนเข้าไปเรื่อย เหมือนอย่างทำโบราณท่านกล่าวไว้นะนะตัณหารักลูกนี้เหมือนอย่างเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียนี่เหมือนอย่างปอผูกศอกตัณหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนอย่างปอกมาสวมอยู่ที่เท้าตัณหาสามประการนี่แหละมาผูกมัดลัตตึงจิตใจนี่ไว้จึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน นี่เป็นคำลำพึงของพระเวสสันดรก่อนที่พระเวตสันดนจะให้ทานลูกทานเมียทานช้างทานมา้าอะไรอย่างนี้นะก็ได้ลำพึงอย่างนี้แหละแล้วจึงสลาดทานออกไปได้ทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งตัณหานี้ถ้าไม่เห็นโทษแห่งตัณหานี้แล้ว ใครปฏิบัติทำยังไงใครจะทำความดีอย่างไรภายนอกนะั่นน่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้ผลทำอะไรไปมันก็แสบเหาดังแตกกรมมคุณนั่นแหละทำบุญมันก็อิงการามมาคุณเหมือนอย่างคนทำบุญบางคนบางกลุ่พวกก็ต้องมีมโหสถกบงนัน มีข้าหมูข้าวัวข้าควายลงเลี้ยงกันกินเหล้ากินยาสนุกสนานเฮฮานั่นนั่นน่เขาเรียกว่าตันหามันจูงไปแม้ทำบุญมันก็ไม่เว้นนะมันมันก็ยังตันหายัางแทรกเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วจนเป็นเหตุให้คนเราทำบาปก็ตันหานั่น ความ่อมันเพลินยิ่งเข้าไปแล้วมันก็หาเรื่องที่สนุกสนานให้ยิ่งขึ้นนะเอ้าล้วจะทำยังไงบ้างหัวเหมือนอย่างอดีตนิทานท่านกล่าวไว้เรื่องไอ้สัตว์ลกสี่ตนน่นะตั้งแต่ในอดีตล้นเป็นลูกเศรษฐีทั้งสี่คนเป็นผู้ชาย ท่านอยู่มานี่มารดาบิดาล่วงลับไปแล้วไอ้ลูกทั้งสี่คนนี่ก็มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะใช้กจ่ายเงินนี่อย่างไรถึงจะมีความสุขสนุกตนานดีคนหนึ่งก็ว่าต้องใช้ใจ่ายเอาไปค้าไปขายเอากำไรงามๆ ม, มา คนหนึ่งก็ว่าเอาไปจ้างคนามาทำอาหารให้บริโภคอย่างอาร็สอร่อยดีเอาไปซื้อเครื่องประดับตกแต่งสวยงามเอามาอวดคน อ, อย่างนี้มันจะมีความสุขสนุกสนานดี มันนี้คนผู้สุดท้ายหมูลเลยเสนอกันว่าเอ๊ะผมว่าไอ้ี่พี่พี่พูดมาการจ่ายเงินมาหมู่นั้นมันไม่มีความสุขไม่มีรถมีชาติพอเท่าไหร่หรอกทางที่มันจะมีรถดีแท้ผมว่านี่จ่ายเงินนี่ไปเพื่อบำเรเออความสุขในกามาตัญหานี่นะหังนั้น เออจริงจรงหทนนั้งสามคนก็เห็นดีเห็นชอบด้วยอพอเห็นดีเหนชอบอย่างนั้นแล้วก็เอาแล้ววันนี้เริ่มจ่ายเงินแล้วพอไปเห็นรูปใดสวยสว อ, สองามก็จะเป็นเมียใครลูกใครก็ตา ม, ม, ามตีสนิทเข้าไปแล้วจ่ายเงินไม่มีอันเลยมันก็ได้มาครองอเอาอยู่อย่างนั้น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 วันนี้พูขึ้นมาอีกสามหมืนปีจึงก็ถึงปากนรกพอถึงปากนรกแล้วอ้าปากขึ้นว่าจะพูดกันนะว่าจะปรับทุกข์ต่อกันอะไกันคนที่หนึ่งว่าทุกคนที่สองว่าสะคนที่สามได้วันนะคนที่สี่นวโสเท่านั้นแล้วก็จมดิ่งลงไปเลย ทีนี้พระเจ้าปเสนีกุศลได้ยินนะได้ยินเสียงสัตว์นรกนะมันดังใส่หูอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรบะนี้ก็จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้านะเขาพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเรื่องสัตว์นรกสี่ตนนี่นะให้พระเจ้าปเสนีกุศลฟังเพราะในขณะนั้นพระเจ้าปเสนิกุศลเนนะี่ย คิดจะฆ่าชายคนหนึ่งเพื่อเพื่อเอาเมียของเขาเพราะเมียของเขาสวยงามมากบาณีิบุญของพระเจ้าประเสริฐอุศนียังอยู่เลยบันดาลให้เกิดนิมิตอย่างนั้นขึ้นมาแล้วพระพุทธศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องสัตว์นรกสี่ตนน่ะมันมัวเมาในกรรมคุญโดยชาติก่อนไม่ทำบุญกุศลอะไรตายแล้วถึงไปส่งนรก ภูขึ้นมาจะปรับทุกต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนี่อยู่ในโนรกนี่ถึงหกหมื่นปีแล้วเมื่อไรโนาะเราถึงจะพ้นได้บางบางตนก็ตั้งใจจะปรับว่าเมื่อเราพ้นโนรกนี่ไปแล้วเราจะทำบุญทำทานจะรักษาศีลอย่างนี้นะไม่ทันได้พูดเลยมันก็จมดิ่งลงไปในโนรกเสียก่อน เป็นอย่างนั้นพระเจ้าพระเสียรนิคุศลได้ฟังอย่างนั้นก็กลัวบ้านี้กลัวตอนรกกลัวตายแล้วจะไปตลลกนรกจึงได้งดความพยายามที่จะฆ่าสามีของหญิงคนนั้นก็เลยงดไปก็อย่างนี้แหละเรื่องตัณหาอันนี้นะมันมีอวิชชาความไม่รู้กากับด้วยบ้นี้นะ มันไม่รู้เลยว่าความอยากเช่นั้นนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรม เ, เวรเวรมันไม่ว่าเพราะมันไม่รู้เลยมันมีอวิชชาครอบงําจิตอยู่ไปอย่างนั้นดังนั้น่ะทุกคนในภาการพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเได้เกิดทุกข์ก็มีอธิบายอย่างนี้แหละ ตันหาพายคนขึ้นสวรรค์ไปนิพพานก็มีตันหาพายคนลงนรกอบายภูมิก็มีเป็นอย่างนี้เพราะตันหาแปลว่าความอยากถ้าเราอยากทำความดีอยากคนทุกคนไยในสงสารอย่างนี้นะความอยากอย่างนี้นะมันเป็นไปในทางที่ดีมันเป็นเหตุให้เราขวนขวายเป็นเหตุให้ทำความเพียร เช่นอย่างผู้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะได้ได้สลกักกิเลสส่วนห ย, ยาบออกมาจากบ้านจากเรือนแล้ววันนี้มันยังมากิเลสอันส่วนกลางที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจนี่แล้วก็มาทําความเพียรเพ่งพินิษฐ์ดำร ใ, ในใจเสมอว่าทํายังไงหนอเราจึงจะเอาชนะกิเลสอันอยู่ในหัวใจนี้ได้ ไอ้เครื่องผูกมัดด้านลึงภายนอกนั้นเราสลัดมันมาแล้วมา น, นี่มันมาผูกมันยังเครื่องผูกภายในที่ท่านเลวาสังโยกนี่แหละมันผูกมันคล้องจิตใจของสัตว์โลกไว้อยู่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะัติสิอะไรหมดนี่แหละเลว่าสังโยก มันเป็นเครื่องผูกมัดระลึงจิตใจของคนเราให้หนีจากโอกคส ง, งสารอันนี้ไปไม่ได้ดังนั้นการเป็นนักบวดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นการเข้าใกล้คิดกับดวงจิต เ, เป็นการดูจิตตัวเองอยู่เสมอเสมอได้เพราะมันไม่มีกิดทุระการงานมาขัดขวาง ให้คิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างกู้กองเรือทั้งหลายมีตั้งแต่โน้มสติเข้าไปเพ่งจิตใจตัวเองอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อกิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจมันก็เห็นมันก็รู้ว่า น, นี้เราพยายามเพ่งอยู่นี่เพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าพากันท้อถอยในเมื่อเราได้เดินทางมาเรียกว่าจับต้นทางถูกแล้วถูกทางต้นทุกข์แล้วอย่างนี้นะเมื่อมาภาคเพียนพยายามกำจัดปัญหาส่วนยำยาบอันนี้ออกไปจา ก, กจิตใจให้ได้แล้วก็ยังเด็ปัญหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดอย่างนี้ แล้วก็ทำความเพียนการรจัดปัญหาส่วนกลางออกต่อไปมันก็ไม่ได้เพียนมากมายเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนเหมือนมันไม่เหมือนอย่างปัญหาส่วนหยาบๆยาบนั้นปัญหาส่วนหยาบนั้นต้องได้ทำความเพียนเอาอย่างแทบล้มแทบตายต้องอดนอนผ่อนอาหารอือต้อง ก็ะเวงหาอยู่ที่สงบส ง, งัดที่สุดอ้าวท่านภูมเพลนแต่ก่อนมาเนี่ยป่าช่างโรงเสืออยู่ที่ไหนปลูกเข้าไปโน่นเมื่อมันกลัวตายมันกลัวสัตว์แล้รนะ่มันจะมาเบียดเบียนมันก็ฟังใจสิแบบนี้ไม่ปล่อยใจให้วิตกวิจารณ์ไปในกรามมากิเลสตัณหาต่างๆ เช่นนั้นใจของท่านมันก็รวมอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรวะเนี้ยไม่ส่งออกไปข้างนอกอเนี่ยที่พระผู้จเจริญธรรมถ่ายอภิษฐานนั่นท่านชอบไปอยู่ตามป่าเขาลมเนาภใคอยู่ที่เปรี่ยวที่มีภัยอันตรายอยาานันตรายไม่ใช่เพื่อมุ่งอย่างอื่นใด น, นี้มุ่งให้ฝึกให้ธรรมชาติภายนอกนั้นช่วยฝึ ก, กจิตใจด้วย การล้อมจิตใจให้มันเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันพุ่งออกไปข้างนอกนี่มันก็ได้ผลจริงๆสำหรับผู้เสียสละพอน่ะเสียสละชีวิตเลยเอาอะไรจะกินก็กินลงไปเราถวายชีวิตบูชาคุณพระตนาไกลแล้วเมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัว มันก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าเรายอมลเลยนีย่อะไรจะเอาไปกินก็เอาอยอมสละบูชาแล้วถ้ายังหวงอยู่ยอมสละบูชาไม่ได้อย่างนี้นี่มันก็กลัวเลยมันหวงนี่มันหวงขันห้า น, นี่มันไม่ยอมปรงไม่ยอมวางนะอ่ะ ม, มันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะดังนั้นภาษาวกแต่ก่อน ท่านผู้เจริญธรรมถ่ายอุัฏนาท่านยังว่าไปอยู่ในที่ที่มีภัยเหมือนอย่างภิกษุสามสิบรูปท่านเหล่านั้นก็เรีกว่าบวตรมาใหม่ก็ยังไม่ทันได้ชำนาญในการเจริญธรรมถายอุัฏนาเท่าไรนะักเรียนกรรมฐานกรรมศาสตร์ดาแล้วก็ล่ำลาพราะองค์ไปไปสู่ป่ามิตรเทียน ป่าหนึ่งสมัยก่อนนั้นเรียกว่าคนมันน้อยป่าไม้กับอุดมสมบูรณ์อถือไปอาศัยกันอยู่ในป่าใหญ่อันนั้นบัด น, นี้ในต้นตะเคีย น, นมันมีพวกพูดพ้ปีชัดอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นเพราะพวกเราได้เห็นพระที่มีศีลอันดีงามไปพักอยู่ใต้ต้นไม้นั่นก็อยู่บนต้นไม้ไม่ได้ออเพราะว่า พูดผีผีชาติมันก็เป็นพวกต่ำพวกมีบุญน้อยหมายความว่าอย่างนั้นน่ยจำเป็นต้องได้ลงมาอยู่พื้นดินทีนี้ก็เลยลำบากจึงมาปรึกษากันเนยพวกเราจะทำยังไงจึงยายพราดเหล่านี้หนีจากป่านี้ได้ก็ออกข้อเม็นกันว่าเราต้องแสดงเสียง ดังออกมาเป็นเสียงที่น่ากลัวอแล้วแสดงรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวให้พระเหล่านั้นเห็นแล้วอย่างนี้นี่พระนี่ยังละ ก, กิเลสไม่ได้นะมันจะต้องกลัวต้องหนีกันแน่นอนหรือมีท่านก็เอาบรรดานในท่านเป็นวัดเป็นไอจามกันไปพอตกลงกันยันหน้ต่าง ตอนตานก็ทําเลยวันนี้ทําอาการอย่างว่านั้นซากเหล่านั้นนะก็กลัวเลยวนันนี้จึงได้ชวนกันหนีจากฝานั้นหนีก็ไม่หนีไปที่อื่นวะนี้กลับไปเฝ้าออพระศาสดาไปกราบทูลได้พระองค์ได้ทรงทราบว่าฝานั้นมีแต่ผีพวกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้เน่ยมันหลอกมันหลอนเออ พระ อ, องค์เจ้าถึงตัดว่าเออพวกเธอไม่มีคาถาดีผีมันถึงไม่เคารพไม่ยำเกรงหวง น, นั้นเอาล่ะเราจะบอกคาถาให้ให้เรียนเอาคาถานี้สืกพระ อ, องค์ก็สอนการนิยมเมตตาสูตรเนี่ยให้ให้พระเหล่า น, นั้นท่องเอาจําเอาจนได้เมื่อจําได้แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงรับสั่งให้ไปอยู่ที่เก่า น, นั่นอีก แต่เมื่อเดินทางไปใกล้จะถึงฝ่านั้นนะ่ะให้พรกันตรวจกรณียเมตตาสูตรนี่นะไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนเข้าไปถึงที่อยู่นั่นแหละวเมื่อกลางคืนมาก็ อ, อสวดใครสวรดเราอยู่ในใจนั่นแหละถามความเพียรเมื่อพระเหล่านั้นได้อุบายชาววสสาตดาแล้ว ก็าพากันกราบทูลลาพราะองค์ไปพอใกล้ถึงป่ากพร้อมใจกันสวดกรณียมตาสูตรนี้ขึ้นจนไปถึงที่อยู่พวกผุดผีปีศาล่านั้นก็เลยลงมาอยู่จัดต้นไม้มาอยู่พื้นดินมารักษาพระเหล่านั้นอยู่ตลอดพัรษาไม่แสดงอาการให้พระเหล่านั้นตัดหวาดกลัว แต่อย่างใดพระเหล่านั้นก็มีโอกาสได้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไ้จนตลอดสามเดือนในที่สุดท่านเหล่านั้นก็สำเร็จอรหัตผลหมดทุกองค์ไปเลยอันนี้นะเพราะฉะนั้นไปอยู่ป่าเนี่ยรู้ว่ามันเปี่ยวมันมีภัยอย่างนี้ก็ให้ หากันสวดกรนียเวตสูตรนี่ให้ได้เมื่อสวดกันไปบ่อยๆเขามันรู้มันักเห็นผลด้วยตนเองหรอกการอยู่ไปในถิ่นที่นั้นมันอบอุ่นเหมือนอย่างมีคนมั่งมากมาอยู่ด้วยกันมันไปอย่างนั้นอบอุ่นใจ ทีนั้นมันก็ได้มีโอกาสทำความเพียรเต็มที่ไม่ได้ได้รับแรงภัยอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อเจริญไม่การันยังไม่จะสูงไปแล้วความกลัวต่างๆมันหายไปนี้อย่างนั้นมันมันถึงได้ทำความเพียรได้เต็มที่เลยแบบนี้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ หนุนความเจริญหนนทานความเสื่อมได้เป็นอย่างดีเลยแต่สุดแต่บริษัทของพระองค์ไม่ปฏิบัติตามให้อย่างเข้มงวดกวดขันเท่านั้นแหละปฏิบัติก็เพียงแต่เบาๆ บ, า, บ, า, บางๆไปไม่เอาจริงเอาจังดังนั้นอ่ะมันจึงค้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเรารู้ข้อว่าปฏิบัติกันอย่างนี้แล้ว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 มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายตกนรกหมกไม่อยู่เนี้ยหลงไหลไปทำความชั่วใส่ชั่วตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีทางมันจ ะ, จะเจริญขึ้นไปได้นะนนถ้าผู้ใดเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอย ฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพรณะรัตนไกรตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลที่ทนบําเพ็ญมาให้ได้จริงๆแล้วเช่นี้จิตใจของคนนั้นก็ไม่ตกไปทางฝ่ายอกุศลเพราะว่าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยบรรดาบาป ก, กรกัมทั้งหลายอกุศลทั้งหลายใจเป็นผู้สร้างขึ้นมา ถ้าใจมันหนักไปทางบุญทางคุณแล้วมันก็ไม่สร้างอาคุณให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาปกรรมเรื่อยๆนั้นก็ตามไม่ทันเลยเป็นอาโหสิกรรมไปไม่มาสกัดกั้นทางเดินออกจากทุกเรียกว่าไม่ห้ามมักห้ามผลหมายความว่างั้นเลยไม่ห้ามดังนั้นผู้เช่นนั้นถึงมีโอกาส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 เมื่อชีวิตนี้ไม่มีบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสนะเสริญอายุก็ยืนยาวนานนั่นแหละในตำราท่านกล่าวว่าสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนานนั่นพวกคนผู้เหล่านั้นนละบาปอกุศลแล้วมาแต่ชาติก่อนโน้นเขาเกิดไปในชาตินั้นแล้วมันไม่มีกรรมเวรอะไรมาตัดรอนเลย มีแต่บุญกุศลอำนวยผลให้จึงได้มีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงมาเบียดเบียน ร, ร่างกายสังขารจึงสามารถสร้างกุศลกุณงางความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างเต็มที่เลยเหมือนอย่างท่านกล่าวไว้ในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรอย่างนี้นะคนมีอายุยืนตั้งแปดหมื่นปีโน่น แล้วอย่างนี้ในตาราท่านกล่าวไว้ว่ามีแต่พวกเทวดาเท่านั้นจุดสิจจากสวรรค์ลงมาเกิดไอพวกซาดารกพวกเปรตเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเพราะว่าพระองค์ได้สร้างปณิธานความบัติหนาไว้อย่างนั้นตอนสร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นพระศรีอริยเมตไตรนี้จึงสร้างบารมีนานกว่า ที่พระองค์ที่ล่วงแล้วมาสร้างส6กอสงไขนุ่นพระศรีอริ ย, มยเมตัยนี่ยสร้างบารมีมาแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่สี่อสงไข่ปลายแสนมหากัาบหนึ่งอย่างนี้แหละดังนั้นศาสนาของพระศรีอริยเมตัยเนี่ยจึงราบรื่นนี้แต่เทวดาจุติลงมาเกิดในโลก เกิดมาแล้วจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีบุญสวัยผลบุญของตนแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคาสอนของพระเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปมันก็ไม่มีมานคือกิเลสอันไรก้กาดอะไรมาขัดขวางทําให้ท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้มากมายก่ายกองเพราะว่าพระสีอริยเมตตรนั้นท่านอยู่ คองเรือนได้สี่0มื่นปีแล้วจึงเสด็จออกบวชพอบวชไปบำเพ็ญอยู่ได้เจ็ดวันเท่านั้นก็สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่นั้นถึงสี่หมื่นปีเพราะฉะนั้นพวกคนสมัยนั้นน่ะมันจึงได้ทำบุญทาทานได้ฟังธรรมกับพระสีอริยมเมตไตนั้น นานทีเดียวหลายร้อยหลายพันกันแหละันเถอะนันเลยเหตุดังนั้นท่านเหล่านั้นจึงได้บรรลุมรรคผลทั้งหมดเลยเมื่อพระศรีอริยเมตไตรดับขันโสูิปิภนานแนวศาสนาของพระองค์ก็หมดไปตามกันเลยเพราะว่าคนผู้มีบุญทั้งหลายนั้น ที่มาเกิดร่วมศาสนาของพระองค์นั้นได้ละกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปเข้าสู่อนิพพานกันไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงไม่ได้ไว้ศาสนาเพราะคนต่อไปนั้นเข้าใจว่าคงจะเป็นคนบาปหนาสาโหดมาเกิดแม้ว่าศาสนาพระองค์ยังจะยังเป็นไปอยู่ก็คงไม่มีใครที่จะ รับนับถือศาสนานั้นไว้ได้นมนานอะไรพระองค์ก็คงเรียงญานรู้แจ้งแล้วดังนั้นจึงไม่จึงไม่ไหวศาสนานี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตัดรูในโลกเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทูกพระองค์ ก็มาสอนให้คนเราละความชั่วเนี่ยล้วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจเจ้วทรงสั่งสอนให้ชำระจิตใจที่ขุนมัวเท้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆเนี่ยให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้มันจะได้พน้นทุกข์้นภัยในสงสารนี้ไปจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระเจ้ทาทุกพระ อ, องค์ ย่อมแ ส, แสดงอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่มีผิดแตกต่างกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอา้าวก็มาตรวจดอบกายวาจาใจทุงชนว่ามันมีความชั่วอะไรยังค้างอยู่ที่กายวาจาใจนี่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 โดยความไม่ประมาทแล้วอย่างนี้มันก็ <c oughs> มีหนทางที่จะพ้นจากทุกจากใครในวัฏฏสงสารอันนี้ไปได้ก็ถ้าว่ายังพ้นไปไม่ได้ก็เรียกว่าเราพยายามกำจัดกิเลสตนานี่ให้เบาบางออกไปมากที่สุดเขาที่จะมากได้ พอไปเกิดไปชาติหน้าได้พบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระองค์ได้ฟังคําสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุมรรผลนิพพานไปได้ง่ายไม่ต้องลําบากเหมือนอย่างพระอรหันต์บางแก่พวกนั้นกล่าวมาแล้วนั่นแหละได้ฟังคําสอนของพระองค์แต่เพียงบาทพระคาถาเดียวหนึ่งเท่านั้นจบลงโดยที่พระองค์ไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็สาเร็จอรหัตผลไปแล้วนี่ก็เพระาะว่า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 เกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมนิดหน่อยเท่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้นี่การหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องอบรมกายว า, าจาใจทังส่วนนี้ให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรม ท, ทั้งหลายดังแสดงมาสมควรเก็บเวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้